นิทานเรื่อง ต้นกลุ่มชาตินั้นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้าน ไม่ใหญ่มากนักแต่มีปลาอาศัยอยู่มาก ปลาหลากเห็นนกยางยืนใช้ความคิดอยู่ชนิดๆ อาหารของพวกท่านน่ะก็พลอยน้อยลงน้อยลงไปด้วยพวก จากนี่ไปไม่ไกลน่ะมีสระใช่เราวางที่ แล้วแล้วมันจะแล้วพวกเราจะไปได้ยังไงอ่ะ แต่สําหรับข้าแล้วนี่นะไอ้เรื่องจับพวกท่านกินน่ะคง ให้ไปสำรวจดูซะเหตุที่คัดเลือก นี่ไงสระที่ข้าพูดๆ โอ้ยไม่เลยมันเป็นอย่างที่ท่านว่าจริงๆสระ อ่าเรากลับสระอืม แต่ถ้าอดใจไว้สักเป็นไงบ้างเป็น สระใหญ่มีน้ําใสสะอาดเย็นอาหาร เมื่อผลนกนกยาง แต่กลับบินมาที่ต้นกลุ่มริมสระแล้วปล่อย จากนั้นนกยางก็อร่อย ข้าพเจ้าขาบปลาไปปล่อยไว้ที่นั่นหมดแล้วตอนนี้อ้าว เอาก้ามหนีบคอท่านเอาอ่ะมาไปต่อไปเล่นแล้วก็ไปกับนกยางแต่ก็ยังเพราะไม่นกยางตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เห็นมีแต่นกยางจับปลาจับปูกินเป็นอาหาร หากครั้งนี้นกยางจะหวังดีถึงคาบไปปล่อย ทางที่จะบินลงไปที่ริมสระนกยางกลับบินมาเกาะ ปลาทุกตัวเรียกข้าบมานะข้าจัดอ่ะ ข้าพเจ้ากลัวแล้วโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเด้ออย่าหนีบ พอรู้สึกตัวว่าถูกน้ํา เพราะเขาจะต้องได้รับผลแห่งความ